การสร้างจิตให้มีพลังตามหลักของพระพุทธเจ้าสำนักกรรมฐ า, านในเมืองไทยเนี่ยสอนแบบไหนพอเห็นไม่ว่าเขาสอนกันแบบไหนบางสำนักก็เอาสะกวดจิตมาแทรกบางสำนักก็เอาอำนาจเบื้องบนพระอินทร์พระพรมหรือผู้วิเศษทั้งหลายเข้ามาช่วยพลังจิตซึ่งมันขัดกับหลักของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีแต่ให้หาอุบายสร้างจิตของตนเองให้มีพลังเหนือพลังต่างๆ